เสียงอ่านหนังสือชุดมนุษย์เกิดมาทำไมเล่มที่สิบห้าตอนอัฏกถาธรรมบทแปลจากพระบาลีภาคที่หนึ่งเรียบเรียงโดยพระอาจารย์สุวัตสุวัฒโนพิทาควง์อุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็กเสียงอ่านโดยอริยาคุณพุทธธรรมชมรมผลดีจัดทำเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานโดยกัิตาลภิรัตนากูลพระธรรมปรทัทถกถาแปลาภาคที่หนึ่ง เรื่องที่หนึ่งพระจักคุบานเทระธรรมบทพระพุทธวจนะสิ่งทั้งหลายมีใจนำหน้ามีใจถึงก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วด้วยใจมโนปุพังคมาธรร ม, มามโนเศรษฐามโนมยาถ้าว่าใจอันมีโทษประทุษร้ายแล้วด้วยทุจริตในวงเล็บ ทำพูดคิดทุจริตทุกย่อมติดตามไปเพียงดังล้อเกวียนหมุนไปตามรอยเท้าแห่งโคตัวนำไปอยู่ซึ่งแอกได้ยินว่าเศรษฐีชื่อมหาสุวรรณเมืองสาวัตถีไม่มีบุตรวันหนึ่งเห็นต้นไม้ใหญ่มีกิ่งก้านสาขาเป็นต้นไม้เป็นเจ้าแห่งป่าคิดว่าเป็นต้นไม้อันเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่สถิตอยู่ จึงตกแต่งประดับฉัดธงตั้งความปรารถนาขอบุตรหากได้แล้วจะกระทาสักการะใหญ่ต่อมาเศรษฐีนั้นได้บุตรชายสองคนคนโตชื่อมหาบาลคนน้องชื่อจุลบาลต่อมาครั้นตายลงบุตรทั้งสองได้ครอบครองทรัพสมบัติทั้งปวงขณะนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทรับอยู่ที่มหาเชตวัน ซึ่งอนาถาบินทิกาเศรษฐีสร้างถวายด้วยรทรัพย์54ี่โกรประทับจำพรรษาตลอด19พรรษาประทับในบุพารามมหาวิหารของมหาอุบาสิกาวิสาขาซึ่งสร้างด้วยทรัพย์27ดโกรตลอดหพรรษารวมเสด็จประทับอยู่ในกรุงสางวัตถีทั้งสองแห่งเป็นเวลาถึงยีหพรรษาด้วยทรงอาศัยความอุปถากบำรุงจากสองตระกูลมีคุณใหญ่นี้ บำรุงแล้วซึ่งภิกษุสองหมื่นเป็นบริวารอันนี้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุกในเมืองสาวัตถีขณะนั้นมีผู้คนอาศัยอยู่เจ็ดโกรคือเจ็ดสิบล้านคนห้าโกรธได้ฟังธรรมบรรลุเป็นอริยส า, าวกสองโกรธเป็นปุถุชนอริยส า, าวกทั้งหลายต่างไปถวายทานและฟังธรรมภายหลังพัดคือหลังอาหารเป็นประจำ วันหนึ่งมหาบาลเห็นฝูงชนอริยาสาวกต่างถือพัฒหารข้าวหวานภาไตรจีวรบริคารเพศสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งมาลาของหอมในมือไปสู่วิหารจึงตามไปเฝ้าพระบรมศัสดาพระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพิกถาคือธรรมะเป็นเครื่องกล่าวตามลำดับได้แก่ทานศีล ส, สวรรค์โทษแห่งกามและอนิสงของการออกบวช มหาบานได้ฟังแล้วคิดว่าอันว่าบุตรและโภคกรัพย์ของเราย่อมไม่ไปตามเมื่อไปสู่โลกอื่นแม้ร่างกายนี้ก็ไม่ไปตามประโยชน์อะไรด้วยการอยู่ครองเรือนครั้นกลับถึงบ้านมอบทรัพสมบัติบุตรพัญญาค่าทาาให้แก่จุลบาล น, น้องชายครอบครองแล้วออกบวชในสำนักของพระบรมศาสดาแม้จุลบาล น, น้องชายจะทัดทามห้ามแล้วก็ไม่ฟัง พระมหาบาลบทลาอยู่ในสำนักของพระบรมศาสดาได้หพรรษาทูลถามพระพุทธองค์ว่าทุระของพระศาสนามีเท่าไหร่ครั้นเมื่อทราบแล้วว่ามีทุระสองคือคันธทุระและวิปัสนาทุระคันธทุระคือการเรียนซึ่งพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกและวิปัสนาทุระคือทุระที่เริ่มตั้งแล้วซึ่งความสิ้นและความเสื่อมในอัตภาพ อย่างวิปัสสนาญาณให้เจริญแล้วด้วยอํานาจแห่งการกระทำโดยความเป็นไปติดต่อกันถือเอาซึ่งความเป็นแห่งอรหันเป็นผู้ยินดียิ่งแล้วในเสนาสนะอันสงัดแล้วผู้มีความประพฤติอันเบาพร้อมชื่อว่าวิปัสสนาธุระดังนี้พระมหาบาลกราบทูลว่าข้าพระองค์บวชแล้วในการแห่งตนเป็นคนแก่ ไม่อาจยังคันถาธุระให้บริบูรณ์แต่จักยังวิปัสนาธุระให้เต็มขอจงตรัสบอกซึ่งกรรมฐานแก่ข้าพระองค์ครั้งนั้นพระบรมศาสดาตรัสบอกแล้วถวายบังคมแล้วสแสวงหาที่อยู่ได้แล้วซึ่งภิกษุอกสรูปออกไปสิ้นหนทางหนึ่งอย่สบโยยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งเข้าจำพรรษาที่นั่นพระมหาบาล น้อมล่วงไปโดยวิเศษด้วยอิริยาบทสตั้งสัจจะถือเนสัชิกข้อไม่นอนเป็นวัดตลอดสามเดือนรั้นล่วงไปได้หนึ่งเดือนได้เกิดโรคทางตามีน้ำไหลออกจากในตาด้วยลมเสดแทงซึ่งในตาทั้งสองข้างหมอถวายยาหยอดเพื่อรักษาแต่พระมหาบาลนั่งหยอดไม่ยอมนอนด้วยสัจจะในเนสัชิกตุดงขวันั้น แล้วสอนตนเองว่าอันว่าเจ้าจักแลดูซึ่งในตาหรือว่าจักแลดูซึ่งคาสอนของพระพุทธองค์ก็อันว่าการนับซึ่งการบอดของเจ้าย่อมไม่มีทั้งในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นในตาของเจ้าจงฉิบหายหรือว่าจงแตกเถิดอันเราจักสงไว้ซึ่งพระศาสนาจักไม่ส่งไวซึ่งในตาแล้วกล่าวเป็นคาถาว่า อันว่าในตาทั้งหลายอันชาวโลกยึดถือแล้วว่าเป็นเราจงเสื่อมอันว่าหูทั้งหลายจงเสื่อมอันว่ากายนี้จงเสื่อมแม้สรีระทั้งปวงอันอาศัยกายนี้จงเสื่อมยังประมาทอยู่เพราะเหตุอะไรดังนี้พระมหาบาลได้กระทำแล้วซึ่งสมณธรรมการล่วงไป กลางดึกคืนหนึ่งก่อนออกพรรษาในตาทั้งสองก็แตกพร้อมๆกับกิเลสอาสวะทั้งหลายก็แตกออกด้วยแตกออกแล้วไม่ก่อนไม่หลังเป็นอรหันต์ผู้เห็นแล้วในมรรคเรื่องอย่างกิเลสให้แจ้งอันว่าชื่อพระจักขุบาลได้เกิดขึ้นแล้วแต่การนั้นครั้นออกพรรษาภิกษุบริวารทั้งหกิรูป ใครไปเฝ้าพระบรมศาสดาพระจักคูบานอารหันเทราเจ้าบอกให้ท่านทั้งหลายล่วงหน้าไปก่อนแล้วแจ้งให้ญาติส่งคนมารับน้องชายชื่อจุลบานส่งหลานชายบวชเป็นสัมมเนนเดินทางมารับเดินจูงไม้เท้าให้พระเทระผู้เป็นลุงระหว่างทางสัมมเนนได้ขอหยุดพักและล่วงประเวณีกับหญิงเก็บฟืนในป่าจึงศึกจากความเป็นสัมมเนน พระจักคุบาลเทระไม่ปรารถนาเดินร่วมทางกับคนทุศีลเช่นด้วยกับหลานชายและไล่หนีไปร้อนไปถึงเท้าส ก, กะเทวราชต้องแปลงกายเป็นคนเดินทางมาช่วยนําทางพระเทระกลับไปเฝ้าพระบรมศาสดาสําเร็จเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วได้อยู่พักในวิหารพระเจตวันนั้น วันหนึ่งพระจักคูบาลลงไปเดินจงกรมในเวลาค่อนแจ้งหลังจากฝนตกใหม่ๆมีมแมลงในทางจงกรมถูกเหยียบตายเป็นอันมากภิกษุทั้งหลายกล่าวติเตียนและไปฟ้องพระบรมศาสดาพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ชื่อว่าขีณาสวะอันสิ้นแล้วซึ่งอาสวะกิเลสทั้งหลายยอมไม่ประพฤติซึ่งปานาติบาศ ภิกษุทั้งหลายสงสัยว่าพุทธตาบอดแล้วบรรลุพระอระหันต์ขีนาศบได้อย่างไรและเพราะวิบากใดจึงตาบอดเล่าพระพุทธองค์ทรงตรัสเล่าอาดีตชาติหนึ่งของพระจักคูบาลว่าในการสมัยพระราชาพรมทัตครองกรุงพารณสีมีหมอรักษาตาคนหนึ่งรับรักษาตาให้แก่หญิงสองแม่ลูกตาบอดถ้ารักษาหาย แม่ลูกผู้นี้จะยอมเป็นทาสรับใช้รันตาหายบอดสองแม่ลูกเกรงจะถูกเป็นทาสรับใช้จึงแกล้งพูดว่าตาอย่างมองไม่เห็นหมอรักษารู้ถึงความเจ้าเล่ห์ของแม่ลูกนั้นจึงแกล้งปรุงยาหยอดตาให้ตาบอดดังเดิมด้วยวิบากกรรมในชาตินั้นผลแห่งวิบากนั้นได้ไหลออกแล้วซึ่งชาตินี้เกิดมาเป็นจกักขคบาล ตาได้บอดแล้วข้อธรรมวิจัยพระพุทธองค์ทรงตรัสแสดงเรื่องใจเป็นใหญ่เป็นหัวนหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจถ้าใจถูกประทุ้ดร้ายทุกย่อมติดตามไปดุดล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคฉะนั้น ทำอย่างไรใจจึงจะเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจทำอย่างไรใจจะไม่ถูกประทุษร้ายคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสอริยมรรคมีองค์แปดคือหนทางสายกลางมีองค์แปย่อลงเหลือสามได้แก่ศีลคือสัมมากรรมตตะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสมาธิ คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมา ส, ส, ม, ม, าส ม, มาธิและปัญญาคือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะคำว่าใจเป็นใหญ่มีกล่าวอยู่ชื่อว่ามณินรีกล่าวคือมณนะคือใจอินรีคือความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในการเห็นทางตาเรียกว่าจากักขุนรี ทางหูเรียกว่าโสตินสีทางจมูกเรียกว่าคานินสีทางลิ้นเรียกว่าชิวินสีทางกายเรียกว่ากายินสีสิ่งทั้งหลายสำเร็จแล้วด้วยใจคือมนินสีเมื่อเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัส ท, ทางกายรู้เรื่องราวคิดนึกความหมายลงไปถึงใจ เรียกว่าสำเร็จแล้วด้วยใจสำเร็จแล้วทั้งทุจริตและสุจริตทั้งสุขและทุกข์ถ้าใจถูกประทุสร้ายคือกระทำทุจริตได้แก่กายกรรมทุจริตสามวจีกรรมทุจริตสมนโนทุจริตสารวมเป็นอกุศนลกก ร, รมบทสิประการได้แก่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ล่วงประเวณี พูดเท็จพูดส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อคิดอยากได้ของของผู้อื่นคิดพยาบาทปองร้ายและมิชัดทิจิคือมีความเห็นผิดถ้าถูกประทุษร้ายทุจริตความทุก์ย่อมติดตามมาถ้าไม่ปรารถนาทุกข์พึงระมัดโรวังไม่พึงประพฤติทุจริตใจย่อมไม่ถูกประทุษร้ายย่อมไม่ถูก พึงบำรุงใจให้เป็นใหญ่ทางสุจริตคือกุศลกรรมมาบทสิบได้แก่ข้อปฏิบัติรงข้ามกับอกุศลกรรมมาบทสิบข้อข้างตน้นเมื่อเห็นทางจากขุนสีได้ยินทางโสตินศีเป็นต้นพึงโยนิโสมนาสิการคือคิดดีคิดเป็นคิดถูกแยบคายเป็นปัญญาไม่อภิชาคือไม่โลภไม่โทมนัส คือไม่โกรธไม่ขัดเคืองเมื่อเห็นเมื่อได้ยินเป็นต้นนั้นไม่พึงอภิชาและโทมนัสไม่พึงคิดชอบคิดชังเพราะชอบหรือชังเป็นทุกข์ไม่อภิชาและไม่โทมนัสทำอย่างไรพึงเจริญวิปัสสนากรรมฐานเจริญสติปัฏฐานจนกระทั่งวิปัสสนาญาณเกิดรู้ด้วยปัญญา เห็นแจ้งด้วยปัญญาว่าอะไรเป็นรูปนามรูปนามเกิดดับอย่างไรรูปนามไม่ใช่เราเขาเพราะเหตุใดสำหรับเรื่องนี้ได้เขียนไว้ในหนังสือมนุษย์เกิดมาทำไมเล่มสิบสี่ตอนกรรมฐานลืมตามีรายละเอียดแนวทางปฏิบัติเจริญสติในชีวิตประจำวันอันว่าความเป็นใหญ่ หรืออินทรีย์นั้นมีทั้งหมด22ประการอินทรีย์ทวารหคือตาหูเป็นต้นอินทรีย์ในโพธิปักจยธรรมองค์ตรัสรุหคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์ในเวทนาเรียกเวทนินทรีย์หคือสุขขินทรีย์ทุกขินทรีย์โสมนัสสินทรีย์โทมนัสสินทรีย์และอุเบกขินทรีย์ อินทรีในชีวิตและเพศสามคือชีวิตตินทรีปุริสินทรีคือเพศชายอิทถินทรีคือเพศหญิงอินทรีในมรรคและผลสามคืออนัญญาตัดยศสามีตินทรีคือโซดาปฏิมรคยานอัญยินทรีโซดาปฏิผ ล, ลยานถึงอรหัตตมรคยานอัญญาตาวินทรีคืออรหัตตผ ล, ลยาน ถ้าท่านพึงเจริญวิปัสนาปัญญาให้ใจเป็นใหญ่ดังว่ามาแล้วไซใจย่อมไม่ถูกประทุษร้ายศีล ส, สมาธิปัญญาย่อมเกิดอันว่ากิจในพระศาสนาก็พึงสำเร็จดังมโนไมทํทำอย่างไรใจจึงจะเป็นใหญ่ในอินทรีย์ทั้ง22ประการข้างต้นเป็นนาที่ของท่านแล้วพึงสแสวงหาครูอาจารย์และสัปพายะทั้งหลายเอาเถอะ อั น, นถ้ารักษาใจได้กายก็ชื่อว่าได้รักษาวาจาก็ชื่อว่าได้รักษาชื่อว่าใจไม่ถูกประทุษร้ายแล้วเมื่อจะกระทาพูดคิดย่อมไม่เป็นไปในทุจริตสาคือทุจริตทางกายวาจาและใจชื่อว่าความทุกข์จะเกิดมีขึ้นมาได้แต่ที่ไหน